ครอบครัวจึงสมศรีนันทนาสิริวัดพิรพัฒอุตรสริติกุลปริติมาแย้มชูนาวาอากาโทสมมาตรคันธนูวราพรจตนินปัญญาโกจันพลพรอภิวัฒนาเสวีรัตนนพุ่มพวงปริยพันธ์ภูกพันลำไผค้าชูไผลินดอกไม้ชนะภัยจันดำร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตทายเรื่องชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะ